แ้วเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนไปแล้วแปลไปแล้ ว, ลลวต่างๆกุศลเราก็จะไม่ได้จะไม่ได้โอกาสในการประกอบกุศลไอ้ตรงนั้นเป็นความจําเป็นต้องทําเมื่อทำเบ็เสร็จแล้วก็มาวิจัยต่อเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่ทำยานนะสามประโยชน์ให้เกิดขึ้นอันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งควรทำตรงนี้ก็คือว่าข้อความก็คืออาสาธ่ปรากฏในสานะสมุทัยสัจจะอาทีเดวะก็นิสรณะปรากฏในนิโรธาสัจจะและมารคสัจจะจุดมุ่งหมายอุบายแล้วก็ อานาัดการชักชวนก็ในคาถาดังที่ได้กล่าวในชั้นคําสอนพุทธวจนะที่ทรงแสดงบอกว่ายัสหมิงพิเกเวสมัยอริยาสาวโกเป็นต้นเนี่ยนะดูกรพิสูุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกกระลึกถึงพระตถาคตสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกก็ไม่ถูกราคะกุ้มรุมนะไม่ถูกโกโทสะโมหะครอบงำกุ้มรุมเนี่ยเป็นจิตดําเนินไปตรงโดยแท้ย่อมหลุดพ้นจากตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คำว่าตัณหานี้เป็นชื่อของเบณจาการมาคุณบุคคลบางคนในโลกนี้เจริญพุทธานุสตินี้เป็นอารมณ์ย่อมหมดจดได้ด้วยประการอย่างนี้ทีนี้เวลาในลักษณะอย่างเนี้ยพระองค์ก็แสดงให้ผู้สดับพระธรรมคาสอนต่างๆนนเนี้ยให้ปรับจิตเนี่ยนะเขาเรียกว่ากัลยาณจิตหรือกัลยากัลย ก, ก, ก, ก็คือทำจิตให้อ่อนโยนน่มุทุจิตก็ปราศจากนิวรณ์เป็นต้นหมายความว่าทาจิตให พร้อมที่จะรับฟังเป็นกัรละจิตะจิตที่ไม่อ่อนโยนมุทุจิตะเนี่ยนะจิตที่ปราศจากนิวรณ์ก็วีนีวะวรณจิตะจิตที่ร่าเริงอุทคะจิตะแล้วก็จิตที่เลื่อมใสประสัณนะจิตตังเนี่ยเนีเมื่อบุคคลฟังทำประกอบไปด้วยจิตดังกล่าวนะที่บอกว่าพร้อมพร้อมที่จะรับฟังมีจิตอ่อนโยนมีจิต ปราศจากนิวรณ์คือการมาชำระพยาบาทีนมิท้าอุท aja ก, กุกุจาวิจิกิจฉามีจิตที่ร่าเริงยินดีแล้วก็ประกอบไปด้วยศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวบุคคลฟังทำประกอบด้วยจิต ด, ดังกล่าวปีติปราโมดก็จะมีกําลังมากขันท่านเหล่านั้นจเจริญสติตามและลึกนี่นะถึงคุณของพระบรมศาสดาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะที่บอกว่าในชั้นคําสอนทีคณิกายศีลขันธวรคเนี่ยที่พรามณ์โปรคระสาติ ที่บอกมีจิตอ่อนนั้นเหมาะสมมีจิตอ่อนปราศจากนิวรณ์เป็นต้นอันนี้แปลว่าพราะองค์ก็จะเดินทานากถาศีรษะคาถ า, า, า, ก, ากามาทีนวะคาถาเนขขมาณีสังสาากักถาเป็นต้นเป็นไปตามลําดับมีจิตอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ล่าเริงมีจิตเลื่อมใสพระองค์ก็แสดงธรรมเทศนาเนะีก็คือสรุปลงในทุกสมุทัยนิโรธและกรมัรคท่านอุปมาดังผ้าขาวสะอาดไร้รอยด่างย่อมรัก รับการย้อมไว้ได้ด้วยดีธรรมจากสุปราศจากธุลีปราศจากมวลถินก็เกิดขึ้นแก่พราหมณ์โกราสาติณนะอาสนะนั้นว่าธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมเหล่านั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะลักษณะนี้ชั้นของคําสอนของพระบรมศ า, ศาสดาท่านก็จะสรุปลงในอริยสัจสี่ด้วยอาการในลักษณะนี้ถ้าจะมองให้เห็นว่า พองจะแสดงในด้านของอัศสสาธาอาทีนวานิส น, นะเป็นไปตามลำดับเห็นไหมนี่ประชุมลงในอัดทั้ง6ประการดังกล่าวทีนี้อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องเจาะประเด็นคําสอนลงให้มากไปกว่า น, นั้นก็คือว่าถ้าเรามาวิจัยต่ออภิเทเรทะเทะนี่นะท่านกล่าวไว้เพื่อจะต้องการให้ให้รีบเร่งกระทาความดีใช่ไหมศัพท์นเนี้ยกริยาเนกล่าวไว้เพราะเป็นสภาพที่ถึงความดีงามความดีงามลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสภาพของกุศลจิตตัวกุศล จ, จิตเนี่ย ดูสภาพของกุศลจิตเนี่ยก็แปลว่าจิตที่ไม่มีโทษลักษณะที่ไม่มีโทษก็คือให้ผลเป็นความสุขเนี่นะเขาหมายความว่ามีสภาพที่ไม่มีโรคคือราคาโทสาโมหะเนี่ยนะคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยมาหน้าทีิวิจิจฉาหิริการโนตปาในอุทตจารยิยโรคคือกิเลสทั้งหลายเหล่านี้มากุ้มรุมเขาเรียกว่าจิตที่ไม่มีโรคสภาพที่จิตที่ไร้โรคโรคโรคของจิตตอนนี้เขาเรียกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยคนที่เป็นโรค คนไข้เ็าเรียกคนไข้ไม่ใช่เหมือนคนไข้เนี่ยเขาเรียกคนไข้พระเจ้าเนี่ยเป็นหมอโยมแก้วเป็นคนไข้พระเจ้าเป็นหมอการที่โยมแก้วเนี่ยไม่ไปหาหมอบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ความผิดของหมอแต่เป็นความผิดของโยมแก้วเมื่อวานไปหาหมอทีนะ่ไหนไม่ได้ไปนะนี่เป็นความผิดของโยมแก้วบางคนเนี่ยหมอบอกให้ไปตามนัดก็ไม่ไปขอเลื่อนนัดมีใชเลื่อนนัดบ่อยไหมเ <c oughs> นี่ยก็เรียกว่า จิตมันเป็นเออคือว่าสัตว์ประชาศตร์นี่ป่วยเพราะโรคคือราคาโทสามหาันท่านนึงบอกว่าไม่ไปหาหมออย่างเราต้องพบหมอตลอดไหมเราเป็นคนไข้ไอซียคนห้องไอซีถอดถอดเข็มน้ําเกลือไม่ได้เลยถอดถอดยาถอดเข็มไม่ได้แล้วถอดเข็มแล้วคิดเรื่องอื่นเรื่อยเลยใช่ไหมไปแล้วเดี๋ยวอาการกําเริบอีกแล้วพราะถอดเข็มแล้วอาการกําเริบเลยถอดเข็มปุ๊บอาการก็กําเริบ ถอดเข็มปุ๊บอาการก็กำเริบแปลกจริงใช่ไหมพอกำเริบขึ้นมาแล้วเห็นหมอไม่อยากเข้าใกล้เลยไม่เอาแล้วไม่เอาเล ย, ไ ม, เเลยไม่รู้รักษาเมื่อกี่องค์แล้วก็ไม่รู้เป็นอาการแบบนี้บ่อยเกินเน้อวิ่งหนีหมอต่อไปต่อไปจะเป็นคนไข้ที่เชื่อฟังหมอเนาะดีไม่ยอมพิชยานีเป็นคนไขเเน้เชื่อฟังพรธเจ้านะเชื่อฟังพรธเจ้าพระเจ้าว่าไงตามท่าน ดีงามด้วยนะฉลาดไม่มีโทษและมีผลเป็นความสุขก็หมายความว่ากิเลสราคาโทสะโมหะเป็นโลกเพราะมีสภาพเสียดแทงทิ่มแทงกระแสจิตใจะชื่อว่าไม่ดีงามด้วยนะกิเลสเนี่ยไม่ดีงามเพราะมีสภาพที่ไม่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่ประโยชน์เลยนะราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากคิดว่าเขาให้ประโยชน์นะเขาไม่เคยให้ประโยชน์แม้แต่น้อยเลยบางทีเหมือนรู้สึกดีใจไง ราคาที่เกิดขึ้นเวลาใดในรมใดเกี่ยวข้องกับวัตถุชิ้นใดก็แล้วแต่โทรศัพและโมหะเป็นต้นแม้แต่นิดหน่อยอย่าคิดว่าเขาเกิดขึ้นมาในกระแสจิตของท่านผู้ใดก็จะเกิดมาเพื่อให้คุณแม้นิดหน่อยก็ไม่มีนะครับนิดเดียวก็ไม่มีเกิดมาเพื่อให้โทษแท้เกิดมาท่านถึงใช้คำว่าไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์กิเลสเนี่ยเกิดมาไม่ใช่ประโยชน์ไม่ฉลาดด้วยทําไมจึงว่ากิเลสไม่ฉลาดเราไปเข้าใจว่ากิเลสไม่ฉลาดกิเลสไม่ฉลาดเพราะมีสภาพที่ไม่ละเอียดอ่อน มีโทษเพราะมีสภาพหน้าตําหนิมีผลเป็นทุกข์ด้วยไหมมีผลที่ไม่น่าปราตะนาเขาเรียกมีผลเป็นทุกข์กิเลส ท, ทั้งหลายบาปทั้งหลายเนี่ยมีผลเป็นทุกข์ให้ผลมาซึ่งนใช่ไหมจ๊ะมีผลกิเลสนะให้ผลเป็นทุกข์แปลกบางทีอะบางทีอย่างนี้นะบางครั้งเราก็เออเขาเกิดสักนิดเดียวคงไม่เป็นไรเนี่ยนะที่ไหนได้ให้ผลมาแล้วน่าเกลียดมากให้ผลที่หน่าตําหนิส่วนกุศลเนี่ยเป็นสภาวะที่ไม่มีโรคพ้นจากกิเลสนั่นแหละนะ แล้วก็ชื่อว่าดีงามฉลาดไม่มีโทษมีผลที่เป็นสุขเพราะเป็นปฏิบัติต่อกิเลสกุศลจึงเป็นสภาวะที่ทำบาปรำอันนาตําหนิให้วันไหวด้วยให้สันคลอนให้พินาศไปกุศะศัพท์นั้นท่านแปลว่าสภาพที่นอนเนื่องในกระแสจิตของเหล่าสัตว์ด้วยการอันคําว่ากุศลเนี่ยนะอนนาตําหนิหมายถึงราคะนะกุศะศัพท์นั้นนะ่ยแต่กุศลเนี่ยคือสภาวะที่กําจัดบาปส่วนกุศะอีกศัพท์หนึ่งแปลว่าปัญญาเลย เพราะเป็นสภาพที่ทําบาปธรรม ท, ที่หน้าตําหนินั้นให้อ่อนกําลังหรือให้หมดไปให้พินาศไปกุศลอีกคำหนึง่งกุศลก็คือสภาวะอันบุคคลบุงถือเอาด้วยปัญญากุศลเนี่ยนะต้องถือเอาด้วยปัญญาสภาวะตัตรอนฝ่ายเศร้าหมองเหมือนหญ้าคาที่บาดมือเวลาเรากำหญ้าคาแล้วดึงเนี่ยบาดมือทุกครั้งเนี่ยกุศลก็เป็นธรรมชาติที่คอยกําจัดบาปอย่างนั้นแหละสภาวะทําลายบาปที่หน่าตําหนินะแล้วก็คือเป็นสภาวะเกิดด้วยปัญญา ตรงนี้ก็ได้ความหมายแล้วว่าตัวกุศลทั้งหลายเหล่าเนี้ยนะความดีหรือสภาพที่ม่มีโรคเป็นต้นส่วนบาปทั้งหลายกล่าวไว้แล้วว่าเพราะเป็นสภาวะยังสัตว์ให้ถึงอบายดังได้กล่าวไว้แล้วบอกว่าปาป่า ก, ก็คือสภาวะยังสัตว์ทั้งหลายให้ถึงอบายภูมิก็คือไม่สามารถจะยกศรีรษะออกจากอบายภูมิได้นั่นแหละเหมือนกับที่บอกว่าธรรมเอกสาดกเนี่ยนะจุระจุเลกสาดกเนี่ยท่านคิดของท่านนะ่ะ ไอ้มัจฉริยะที่เป็นประธานของอกุศลธรรมละมกที่เกิดขึ้นเป็นพันๆเป็นพันๆพันๆดวงที่ท่านว่านี่แหละคือหมายความบอกว่ากุศลเกิดหนึ่งส่วนแต่พันส่วนนี้อกุศลเกิดอกุศลพวกนี้จะไม่ให้เหล่าสัตว์นั้นพ้นจากอบายโดยเฉพาะจะไม่เราไม่สามารถยกศีรษะออกจากอบายภูมิได้ก็เพราะไอ้ตัวนี้นี่แหละเพราะท่านรู้อย่างนี้กําจัดเลยกําจัดได้ในมัชชิมในปัจฉิมยามเลย กว่ามุมนี้จะเกิดได้ดิท่านต้องต่อสู้ขนาดหนักเลยนะต่อสู้ขนาดหนักเลยนะเนี่ยมันเรื่องสงครามแท้ๆเนียระหว่างกุศลกับอกุศลเนี่ยในสังสารวัตรที่ผ่านมาทุกวันที่ผ่านมาและทุกชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเรื่องการสู้รบแต่ปรากฏว่าแพ้ <c oughs> ส่วนใหญ่เนียแพ้แล้วผู้แพ้ผู้แพ้ยินดีนี่สิใช่ไหมผู้แพ้กลับมายินดีเนี่ยไม่ดีเลยใช่ไหม รู้รู้ว่าเขาหลอกก็ให้เขาหลอกอยู่นี่แหละไอ้ น, นี่กุศลอกุศลเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเขาหลอกเราแท้แท้ใช่ไหมก็ปล่อยให้เขาหลอกก็ดีใจได้ที่เขาหลอกเราได้บางทีเนี่ยถ้ามันพูถ้าพูดถึงในเรื่องของอในเรื่องของในเรื่องของการของการต่อในการที่เราจะสู้กับกุศลเนี่ยอารมณ์ใดที่เป็นที่ตั้งของบาปของอกุศลเนี่ยนะอารมณ์นั้นน่ยด้วยการที่ไม่ผ่านการไข้ควรวิจัยอารมณ์นั้นก็เลยไม่ชํานาญ เราท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ไม่ฉลาดในอารมณ์นั่นเลยโดยเฉพาะมาถูกวิธีการแห่งการมาอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วก็ไม่ได้ยอมใคร่ควรอารมณ์รอบข้างก็อีกยิ่งไปใหญ่เลยแต่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงเชิงลบในทางโลกก็แพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วเขาจะทํายังไงไม่สนใจแล้วกูก็อยู่กับปัจยุบคอีกนะก็อยู่กับในเหตุการณ์ตนเองอยู่อย่างเนี้ยเข้าใจใช่ไหมว่าก็ปล่อยให้ เขาตั้งกองกําลังแวดล้อมมาไม่รู้เท่าไรแล้ไม่ฉลาดในอารมณ์อะไรเลยนีภายในภายนอกไม่ชํานาญเลยที่สุดจริงๆก็เรียบร้อยพอทําทีทําท่าออกมาสู่อารมณ์ภายนอกก็ไม่ฉลาดในอารมณ์ภายนอกแล้วแต่นี้ไม่ชํานาญแล้วถ้าพูดถึงการลบคืออย่างนี้นักปฏิบัติเราเนี่ยโดยมากไปใช้นโยบายเชิงรับถ้าทําการค้าก็เจ๊งก็นโยบายเชิงลุกกันเท่งนั้นแหละการเจริญกุศลเนี่ยเขารุกนะเขารีบเร่งเนี่ยือนโยบายเชิงลุกกันเท่านั้นแหละไม่ีเชิงรับหรอก นโยบายเชิงลุกเขาจะยอมวัดเขาลุกพื้นที่แลยวิจัยอ่ะสมมตินะเอาเอามาเนี่ยมองยอมวัดเมื่อไหร่ก็ยอมวัดถ้ามาไม่แยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อให้ละเอียดยุ่งยุ่งเลยนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่กิเลสก็ามาก็เป็นตดเป็นที่ตั้งกิเลสได้อนาคตกำหนดก็ได้ขัดเครืองก็ได้รุ่มหลงก็ได้ใช่ไหมนี่ไงถึงบอกไงบอกว่าจริงๆพทะเจ้าพระเจ้าสอนให้วิจัยอารมณ์ให้พิจนารณาอารมณ์ไม่สอนให้ ไม่รู้เรื่องในอารมณ์นั้นนะไม่ใช่ว่าพอพอจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะรู้ตามความเป็นจริงเองไม่ใช่เลยเนะี่ยมันต้องผ่านจากการรู้ข้อมูลฉลาดในข้อมูลต่างๆเหมนะือนกันตรงนี้ก็คือว่านั่นแหละเป็นเรื่องของชื่อของกุศลเนี่ยนะกัลยาณ์เนี่ยเป็นชื่อของกุศลปลาปาเนี่ยเป็นชื่อของบาปนะนะอบัยภูมิดังกล่าวจิตตังเนี่ยชื่อจิตเนี่ยมีหลายชื่อจิตคือความคิดความดํางบิดทั้งหลายเหล่าเนี้นิวารเ ย, ยก็ต้องการห้ามจิตจากความชั่วทันทังเนี่ย ก็แปลว่าช้าเป็นการช้านี่แหละท่นทางเนี่ยทันท้าเนี่ยทันท่าก็คือช้าหิเนี่กาไว้เพื่อแสดงเหตุของการรีบเร่งกระทาความนี้และห้ามจิตจากความชั่วการโตโบางสาท่านใช้ว่าคําว่าการโตนี่เมื่อวานนี้ก็ไปดูเดี๋ยวนี้ก็จะตั้งคําว่าการโตกา ร, โตการตาก็คือผู้ทําการโตเนี่ยปุนยางก็สภาพที่ชําระเป็นเครื่องชําระก็ได้นะเครื่องชําระชําระ ชำระจิตสภาวะที่ชำระทําให้หมดจดชำระราคะโทสะโมหะให้หมดจดนั่นเลยนั่นเขาเรียกบุญตัวนั่นอะบุญปาปะสมิงอะบวยังสัตว์ให้ถึงอบายสภาวะทําให้สัตว์เข้าถึงระบายเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งนี่ทําให้สัตว์นั้นตกอบายได้เนี่ยคำว่าบาป บ, บาปตัวนี้ปาปะตัวนี้สภาวะยังสัตว์ให้ถึงอบายภูมิให้ถึงอบายยูมิใหไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้ท่านก็เป็นการแยก แยกแยกในชั้นของคําสอนก็ไว้ทีนี้นะถ้ามองถึงในชั้นของคําสอนอีกอย่างหนึ่งถ้าดูจากคําถามนะคำถามบอกว่าเหตุใดจึงควรรีบเร่งกระทาความดีและป้องกันจิตจากความชั่วอันนี้จัดเป็นคําถามนะการถามความเห็นของผู้ตอบตรัสไว้โดยปริยายบุคคลเป็นที่ตั้งเนาะอันนี้ตรัสถึงบุคคลอภิเเรฐถานี่และนิวาเ ย, ยเนี่ยเป็นเป็นบทที่ตั้งตรัสไว้ด้วยคาถาทั้งหมดเป็นต้นอันนี้นะถ้ามองในลักษณะเนี้ย เป็นการจําเนีถ้าคําตอบก็เป็นทันทันหิกระโตปุญญังปาปัสมิงรับบันเพื่อเมื่อกระทําความดีช้าใจก็จะยินดีในเมื่อกระทาความดีช้าไปใจก็ย่อมยินดีในบาปหรือในความชัว่วอันนี้ถามบอกว่าเป็นคําตอบที่กล่าว ร, ระบุอย่างชัดเจนเลยระบุชัดเจนเลยว่าเหมือนถ้าถามมาเบ็เสร็จว่าทําไมต้องต้อ ง, ต, องต้องเร่งกระทําความดีก็ตอบแบบเอกลางสายพยากรเลยนะตอบลงไปเลยบอกว่าบอกว่าบอกว่า ถ้าถ้าทำความดีช้านะใจของคุณนะ่ยจะไปยินดีในบาปว่างั้นเป็นคําตอบที่ระบุอย่างชัดเจนว่าช้าไม่ได้างานนี้เมื่อบุญเกิดขึ้นต้องเร่งรีบโอกาสเกิดขึ้นต้องเร่งรีบแล้วถ้าปล่อยให้บาปเกิดเนี่ยนะแปลว่าใจใจมันน้อมอยู่แล้วไหลอยู่แล้วในเรื่องของบาปง่ายอยู่แล้วในกรณีการทําบาปใช่ไหมฟังทําบาปเกิดได้ไหมเห็นไหมไม่ระวังบาปก็เกิด แล้วไม่ระวังก็บาปก็เกิดมันต้องเกิดจากภาวะที่กระตุ้นเตือนค่อนข้างมากแล้วโยนิโสก็ต้องชั ด, ดถ้ามีส่วนเหลือก็ไม่ได้ปฏิเสธข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้อันนี้เป็นโลกียวิสัยของจิตที่อื่นนที่ยังมีจิตอื่นสูงสูงกว่าด้วยนะก็หมายความบอกว่าอันนี้ตอบในฐานะว่าจิตนี้ยังเป็นโลกียอยู่ยังเกี่ยวข้องยังยังจะต้องพัฒนาให้สูงยิ่งย่งขึ้นไป ฉะนั้นส่วนคําว่าจิตตังนิวรเยเนี่ยป้องกันจิตจากความชั่วก็สอดคล้องบอกว่ากับคำก็พึงเร่งรีบพึงรีบเร่งนะกระทาความดีเพราะเมื่อบุคคลกระทาความดีเนี่ยนะจัดว่าเป็นการป้องกันจิตจากความชั่วด้ข้อสบอวท่นทันหิกระโตปุญยญงเนี่ยปาปัตสมิตรเพราะเมื่อกระทาความดีช้าไปใจจะดินีความชั่วนี่ก็สอดคล้องกับข้อสองที่บอกว่าพึงป้องกันจิตจากความชั่วแสดงโทษของความดีช้า ถ้าทําความดีช้ามันมีโทษในด้านการจําแนกอสสาธะตัณหาที่เป็นเหตุรากเง้าของอกศุศลทั้งหมดเป็นสมุทยัยอันนั้นมาจากคาว่าปาปากคือความชั่วตัณหาก็มีลักษณะอย่างไรก็ไปแยกตัณหาลักษณะตัณหาก็มีลักษณะการผูกพันยึด ต, ติดในอารมณ์ไม่ยอมปล่อยใช่ไหมเหมือนลิงไงนะถูกกาวติดดักไว้อย่างนี้เป็นต้นหรือเหมือนกับกรณีแห่งสีที่ติดกระพาอย่างแน่นและอย่างนี้เป็นต้น ลักษณะงั้นคือลักษณะการติดลักษณะการยืดได้ความที่ว่าไม่ไม่สละไม่น้อมไม่เจริญกุศลมีทานเป็นต้นเหล่านี้นี่แหละก็เป็นเหตุทำให้ยินดีในวัตถุภายในและภายนอกมากอาทธีนวะนี่สังขารที่เป็นไปในภูมิสามท่านหมายถึงกุศลจิตุบาท อ, อภิเทเรฐานี่แหละกัลยาณีเนี่ยเร่งรีบเร่งกระทำความดีเนี่ยป้องกันจิตจากความชั่วก็เป็นต้นเหล่านี้ ลักษณะของกุศลก็ดังกล่าวลักษณะที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขกิจของกุศลก็คือทําลายบาปทุกขณะอาการปรากฏผลที่ปรากฏเกิดขึ้นก็คือสภาพที่สะอาดหมดจดเหตุใกล้ของเขาก็คือความเป็นผู้พิจารณาลมด้วยปัญญานี่ก็คือกุศลจำแนกนิสระณะเหตุก็คือความหลุดพ้นก็คือว่าก็หมายถึงอริยมรรคโดยตรงเลยนะพอที่ปกักยธรรมอนุปัสนาสีมีกายาเป็นต้น ที่เกิดขึ้นในขณะกระทำความดีหลีกเลี่ยงจากความชั่วตัวอีกอย่างหนึ่งหมายถึงพระนิพพานก็แยกเป็นสองส่วนสัมมาทิฏฐิก็มีลักษณะเห็นชอบสัมมาสังกัปปะก็มีลักษณะน้อมจิตไปสู่อารมณ์โดยชอบอันนี้เป็นลักษณะของเขาตามคําสอนสัมมาวจามีลักษณะกําหนดไว้สัมมากรรมตะมีลักษณะยังการงานให้เกิดขึ้นได้ดีเนี่ยสมาชีวะก็ลักษณะหมดจดสมาชีวะนี่เป็ความหมดจดของกายของวาจานี่สัมมาวยามะลักษณะการประคับประคองไว้ พระครับประคองในกุศลนะสัมมาสติก็ระลึกเข้าไปตั้งไว้เข้าไปตั้งไว้ระลึกมั่นในอารมณ์ในอารมณ์นะก็ประดุดดังแผ่นหินที่จมไม่ลอยดุดลูกน้ำเต้านี่ไงนะระลึกในขณะที่ระลึกเนี่ยลักษณะไม่หลงลืมด้วยนะสติเนี่ยต้องไม่หลงลืมระลึกได้แล้วก็ตามระลึกได้นะ่แหละลักษณะของสติจะเป็นอย่างนั้นและต้องตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติที่ถูกด้วยนะ สติเนี่ยนะต้องตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติที่ดีข้อปฏิบัติที่ถูกที่เป็นประโยชน์ด้วยลักษณะของสติจะเป็นอย่างนี้ ส, สมาธิก็คือไม่สัดสายสติปทานองค์ธรรมคือสติลักษณะที่ทจิตให้ไม่เลื่อนลอยนั่นแหละสมมติปทานวิริยะก็ลักษณะการภาคเพียนเป็นต้นไปอิทิบาทก็ลักษณะต้องการทีจรท่จะกระทําฉันทาวิริยะจิตตะเลยปัญญาเป็นต้นอะไรเนี่ยนะอินทรีย์ศรัทธามีลักษณะเชื่อมั่น วิริยะก็ลักษณะภาคเพี้ยนสติก็ทําจิตไม่เลื่อนลอยแล้วก็สมาธิก็ตั้งไม่ซัดสายปัญญาก็ลักษณะที่รู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เป็นการกล่าวโดยสรุปจริงๆปัญญาลักษณะของเขาสองลักษณะแทงตลอดสภาวะลักษณะกับสามัญยลักษณะใช่ไหมเบื้องต้นจริงๆก็คือว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นไปเข้าใจกรรมและผลของกรรมเนี่ยขับเน้นในเรื่องของการที่เข้าไปรู้อะไรเข้าไปรู้ลักษณะลักษณะของกุศลลักษณะของอกุศล ลักษณะของปัญญาใช่ไหมที่จะเข้าไปรู้ลักษณะของปัญญาที่เป็นกรรมขอไปปัญญาที่ไปเข้าใจในเรื่องของเจตนาที่เป็นกรรมเจตนาที่เป็นไ ป, ไปกับทานอกุศลสีและกัภาวนาเป็นต้นอะไอย่างนี้เป็นต้นนะะมองในชั้นคาสอนอย่างนี้จะมองเห็นอะไรมองเห็นว่าเมื่อจำแนกลักษณะอย่างนี้แล้วว่าโดยเฉพาะในที่สุดไปถึงพานิพานมีลักษณะสงบจากกิเลสและกองทุกข ถ้ามองถึงการจำแนกจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใจนั้นนะไม่ยินดีในความชั่วที่ท่านใช้คำว่าเมื่อกระทำความดีช้าไปใจก็ยินดีกับความชั่วเนี่ยการที่ใจไม่ยินดีในความชั่วองค์ธรรมก็คืออะไรทำไมใจไม่ยินดีในความชั่วสภาพธรรมก็คือกุศลจิตบาทเมื่อกุศลเกิดขึ้นก็ลักษณะที่ไม่มีโทษและก็ให้ผลเป็นความสุขเพราะกุศลทาหน้าที่กาจัดบาปเขาจะไม่ยินดีชั่วเขาจะไม่ยินดีบาป กายทุจริตวจิจีทุจริตและมโนโทุจริตเนี่ยกุศลจะไม่เข้าไปยิ น, ย น, ด, ยนดีเลยเนี่เนียอุบายก็คือว่าเหตุให้บรรลุอริยมรรคเหตุที่มีใจน้อมไปสู่ความดีละความชั่วอะไรโยนิโสมนสิการ์พิจารณารมด้วยปัญญาครบสัตบุรุษเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นคือคือจุดที่ท่านแสดงเข้าไว้ทีนี้ก็คือขยายขยายก็คือว่าในชั้นคําสอนบอกว่ามองอย่างนี้นะว่าท่านยกพุทธพจน์มาว่าส่วน บุคคลใดละความโกรธได้แล้วย่อมไม่โกรธในสิ่งที่ไม่พอใจความโกรธย่อมถูกละได้จากเขาเหมือนผลตาลหลุดจากขั้วนั้นสับหนึ่งมาจากอิทธิรุษกะความหลงย่อมไม่รู้อัดคนหลงเนี่ยไม่รู้อัดคนหลงก็ไม่รู้ธทำความมืดตื้อความมืดย่อมเกิดขึ้นในขณะที่มีความหลงครอบงำผู้ใดละความหลงได้แล้วย่อมไม่หลงในสิ่งที่น่าที่น่าหลงเขาย่อมละความหลงทั้งหมดเหมือนอาทิตย์อุทัยขึ้นกระจับความมืด เมื่อกระทาความดีช้าใจก็ยินดีในความชั่วเพราะใจมีสภาพน้อมไปสู่ความดีเหมือนน้ําไหลไปในที่ต่ําเหมือนปลาที่ถูกโยนไว้บนบกก็จะดิ้นลงไปสู่น้ําจะเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่ามัสยาถูกเขาจับไว้โยนบนบกเนี้ย่อมดิ้นไปเพื่อจะกลับไปยังแหล่งน้ําที่เคยอาศัยใจคนเราก็เช่นเดียวกันเดินลนไปหากามคุณฉะนั้นจึงควรละเว้นกามาคุณเสียเออเป็นอย่างนี้จริงไง วันวันหนึ่งให้สังเกตดูทีว่าถ้าจะให้ใจเราเนี่ยน้อมข้อหาคุณของพระเดียด้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ใช่ไหมดึงยากกระตุ้นยากมากถ้าปล่อยธรรมดานี่เนี่ยมันก็จะไหลไหลนะเขาก็จะไหลไปหาความชั่วทั้งหลายตรงนี้ท่านจึงใช้คำว่าถ้าเราจะดูประทัดฐานอะพิทะเลสะกายานีปาป่าจิตตังนิวรเยยพึงรีบเร่งกระทําความดีและป้องกันจิตจากความชั่วคืออะไร คือมหากุสลมหากุสลที่เป็นไปกับทานะกุสลเป็นต้นใช่ไหมทีนี้เรามาจำแนกเรื่องทานเป็นต้นดังกล่าเรื่องทานกุสลเป็นต้นหมายถึงการที่มหากุสลเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามองในชั้นของคำสอนว่ากว่ากุสลจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายเลยนะสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยนะการจะทำกุสลให้เกิดขึ้นถ้าเรามองเหตุของเขาจะเห็นชัดว่าเหตุใกล้ชิดของโยนิสของกุศลคือ โยนิสโสมนสิการใช่ไหมการพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาเป็นต้นหรือการฉลาดคิดเป็นต้นเนี่ยตรงนี้เป็นเหตุใกล้ชิดของกุศลฉะนั้นลักษณะของกุศลลักษณะที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความดีงามให้ผลเป็นความสุขต่างๆเหล่าเนี้ยการที่เราจะรู้เหตุรู้ผลต่างๆเหล่าเนี้ยเพื่อจะเข้าใจลักษณะของกุศลที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะถ้ากุศลเกิดขึ้นมันต้องมีผลอย่างนี้สิ ถามแล้วทุกวันนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยมันเป็นผลของกุศลมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็เจอบาปซัดเข้ามาตามลําดับใช่ไหมบาปก็ต้องมาคอยกระแทกแทรกกระแสะชีวิตเราอยู่ตลอดเวลานีในสังสารวัฏเนี่ยสิ่งที่เราทําให้เราผิดหวังทําให้เราต้องเสียหายสูญเสียใดยๆต่างๆก็แล้วแต่อันนี้เป็นผลบาปนี่อันนี้มันลักษณะที่มีโทษและให้ผลเป็นความทุกข์ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะต้องป้องกันและจะต้องเดินทางและจะต้องเข้าใจชัดแล้วว่าเนี่ยเออลักษณะกุศลให้ผลเป็น สุขให้ผลเป็นไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขเนี่ยนะความดีงามทั้งหลายแต่ถ้าอกุศลก็ให้ผลเป็นทุกข์ให้ผลเป็นความเจ็บปวดให้ผลเป็นความผิดหวังนี่เราก็ามาแยกทุจริตสาสุจริตสามตรงนี้เราพูดถึงในเรื่องความดีก็แยกแยกคําสอนให้ชัดแยกเหตุผลให้ชัดก็ดังที่กล่าวเหมือนเราพูดถึงในเรื่องของเจตนาที่เป็นไปกับกุศลถ้าเจตนาที่เป็นไปกับทานกุศลก็มีผลที่จริงแยกผลไปขนาดไหนก็แล้วแต่สรุปลงแล้วตรงเนี้ย จะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ที่นอนให้อาสนะให้เครื่องนอนให้แสงสว่างให้พระทิย์โคมไฟทั้งหลายต่างๆให้เสื้อผ้านะถึงจะบอกให้เลือดเป็นทานให้หูให้ตาให้จมูกเป็นต้นเนี่ยผลก็ยังมหาศาลอย่างไรก็แล้วแต่แต่สรุปผลก็คือวิบากจิตใช่ก็คือวิบากจากขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะ ตถาารรมนะระวังกจิตเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมอันนี้คือวิบากคือผลคือุวิบากโดยตรงของกุศลทีนี้ถ้าหากว่าเขาบอกว่าให้ผลมากกว่าตนด้วยนะมากุศลเนี่ยให้ผลมากกว่าตนเขาให้รูปธรรมก็ได้เห็นไหมให้รูปธรรมเลยทีนี้ยสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเราเรียกกันว่ามนุษยสมบัติเห็นไหมจั ก, กระพัฒจั ก, กระพัฒสมบัติเห็นไหมสักกะสมบัติมาลสมบัติพรมาสมบัติแล้วก็สาวกโพธิญาณปัจเจโพธิญาณและ สัมมาสัมโพธิญาไปจากทานกุศลเป็นต้นนะไปจากเจตนาทานไปจากวัตถุทานไปจากอะโลภทานเพราะท่านพูดไว้อย่างนี้ก็จริงนะต้องมีอะโทสะด้วยนะต้องมีอะโมหะคือปัญญาด้วยนะที่เป็นไปกับทานนั้นเพราะว่าเป้าหมายเจตนาทานนั้นต้องกําจัดโลภะใช่ไหมลักษณะของทานนะั้นคือมีลักษณะการให้การสละกิจของทานกุศลนั่นแหละทลายโลภะแต่จริงๆทําลายโทสะด้วย โมหะก็ต้องถูกทุบไปด้วยนะจริงๆโดยหลักการนะเพราะว่าจริงๆเป้าหมายคือจะต้องให้ปัญญาเด่นขึ้นมาให้ได้โดยมากศาตร์ทั้งหลายติดข้องในวัตถุใช่ไหมปฏิฆาใน ป, ปฏิฆาในในในบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ยฉะนั้นโดยการที่เราไม่ทําไมเราให้เขาได้การให้บุคคลเนี่ยเป็นไปกับเราเมตตาเป็นต้นด้วยใช่ไหมเหมือนในหลักของสารานิยธรรมพระเนี่ยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมใช่ไหม พูดก็พูดด้วยเมตตาต่อหน้ารับหลังทําก็ทํำด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังคิดก็คิดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยสาธารณโพคีคือแบ่งปันนั่นเป็นไปกับเมตตานะการยื่นการถือของการถือของเดินไปเห็นไหมเดินไปเนี่ยน้อมที่จะไปสละไปให้เนี่ยตอนนั้นนะ่ะกายกรรมนะ่ะเป็นทานกุศลเนะีเจตนาว่าเออของนี้จะไปให้ของนี้จะไปจักบูชาพระเจ้าเนี่ย น้อมที่จะสละน้อมที่จะให้เนี่ยใช่ไหมยมวัตอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมที่เป็นอะไรเป็นทานกุศลทำไมจึงเรียกกายกรรมที่เป็นทานกุศลเพราะเจตนาที่เดินไปจะให้ใช่ไหมเอากายกรรมเป็นตัวตั้งและตอนนี้ถือของไปเนี่ยเจตนากรรมที่เดินมาจากให้น่านะเจตนากรรมตอนนั้นน่ะเจตนากรรมที่เป็นไปกับกุศลจิตุบาตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่การยังกายวิญญาตวิจิวเอี่ยกายวิญญาตให้เคลื่อนไหวใช่ไหม จิตตชวาโยธาตขับเคลื่อนและทำให้กรรจักกายทั้งสิ้นมีการโน้มไปข้างหน้ามีการเดินและเดินไปเบสเสร็จก็ให้ใจก็เป็นไปกับกุศลมีศรัทธาเชื่อมั่นเป็นต้นดังกล่าวอันนี้เขาเรียกกายกรรมที่เป็นทานกุศลแยกให้ออกนี่กายกรรมที่เป็นทานกุศลตอนนั้นกำจัดบาปไหมกำจัดอะไรโลภะโทสะเห็นกรรมได้ไหมตอนนั้นนะ่ะกายกรรมเป็นทานกุศลไงเห็นกรรมและเห็นเจตนากรรม เมื่อเห็นตัวกรรมเห็นตัวเหตุแล้วเนี่ยเข้าใจผลไหมเข้าใจว่าการกระทํามีผลไหม ม, มีผลนี่นะทีนี้ถ้ารู้ว่าการกระทําถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นไปกับศรัทธาฐานที่ชัดเชื่อมั่นแล้วก็เป็นไปด้วยความนอบน้อมแล้วเป็นกาลธาานไหมก็จะใข่กวรแล้วแล้วก็สละขาดไหมอนุเคราะห์ดังดกล่าวไหมหรือว่ากระทบตนและบุคคลอื่นหรือไม่ตรวจสอบดีเลย ก่อนให้ก็ดีใจกําลังให้ก็เลื่อมใสให้เสร็จก็ปลื้มใจที่เป็นไปกับปัญญาไหมโอ้เดี๋นี้ครบเลยสับปรดสถาน8เลยเีนี้จาก5ขยายเป็น8ปดได้แล้วมันจะมันจะกินกินมุมไปเรื่อยๆนะปัญญาทำกิจปฏิบัติสว่างในใจมากขึ้นนี่กายกรรมนะเนี่ยเป็นกายกรรมนะยังไม่พูดถึงว่าจีกรรมชวนคนอื่นนะเอาแล้วไปอย่างนี้จริงไหมเดี๋ยวข้อเท็จจรงิงต่อไปจะเดินแบบนี้ไหมต่อไปเดินอย่างเงี้ยนะเดินทางกุศลก็เดินอย่างเงี้ย ก็ช่วยกันเดินขับเน้นอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวก็ชำนาญต่อไปนี่นะต่อไปชำนาญเลยมองเห็นเลยเดีนี้เดินไปโนอะ้โหเปพิจารณาของที่อยากให้พระนี่โอ้ oh, เป็นฐานกุศลโอ้ oh. ใช่ไหมยมามวันนี่ทําทุกวันเนะี่ยทำไมไม่เดินทุกวันจะให้เดินแล้วชื่นใจอนะเป็นไปกับปัญญาเนะี่ยเห็นผลไงเห็นเหตุผลเหตุผลเมื่อวานนี้มาก็มองเหตุเอาผ้าไปปูถวายบูชาพระพเจ้าที่พระบาทของพระเจ้านี่นะมอง โอ้เห oh, ็นเนี่ยเห็นเหตุที่ทำมาเนื้อน้อมทาไปเรื่อยทําไปจัดแจงฉีดน้ําหอมไปด้วยใข้ควรพิจารณาไปพิจารณาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นและเหตุที่กําลังทําอยู่มองใข้ควรก็พิจารณาเห็นเหตุการณ์กระทาผลยังไงทําเอเข้าหลักใข้ควรตามคําสอนมันเป็นอย่างเงี้นะกุศลเกิดยาวไหมล่ะก็เรารู้ตัวเจตนาเป็นตัวให้ผลไม่ใช่ตัววัตถุให้ผล แต่ตอนนี้กําลังยึดโยงเอาวัตถุเป็นเชือกยืดแห่งการบรรณวิจัยไข่ควรคิดใช่ไหมถ้าปริมาณของเจตนาที่เป็นใบกุศลจิตบาทนานยาวแล้วมากแล้วแข็งแรงเข้มแข็งไม่มีบาปมาตัดรอนเลยในขณะนั้นนี่เป็นไงเนี่ยก็ทบบาปได้รอบเลยใช่ไหมบาปก็ไม่ไม่มากุ้มรวมใจแล้วแต่นี้แต่นี้เป็นเชือกยืดหรือยังเป็นที่ตั้งยังเป็นบรรลังแก้วอยังนะเป็นบรรลังแก้วแล้วตอนนี้ เป็นอสสารพิษได้ยังตอนเนี้เป็นแล้วสารพิษแล้วไหมความตัหนหีเข้าใกล้ยากแล้วตอนนี้มารจะกัดเอาแต่ก่อนเ น, นี้ความตัหนหีความตนหีนี้ไปครอบครองอยู่ใช่ไหมบุญจะเข้ามาไม่จะกัดบุญเรานี่เราไม่แล้วเราเป็นเอาเป็นอสสารพิษเลยเห็น ไ, ไหมเป็นพญาช้างฉัาดทันแล้วตอนนี้มีกำลังทรงพลัง